แตถาคตจะกลับคืนเอาชีวิตตามเดิมอีกนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อนนท์มาเถอะเราจะเข้าไปยังกูตาค า, ารศาลาป่ามหาวันนะก็คงพอจํากันได้นะไปสวดมนต์ข้างๆสระน้ำเนี่ยนะสระน้ําไปห่มผ้านั่นแหละป่ามหาวันละ่ะเนี่ยนะจะได้ลงเรือเกือบไปถึงนะทั้งเรื่องทังสร้างบา ร, รมีเพิ่มอีกหน่อยจะได้ไปถึงป่ามหาวัน พลาดโดนก็ได้แต่ยังไงอ่ะคางก็ไม่ได้ประต้วงก็ไม่ได้เพราะตัวเองพลาดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสมาสิบหกครั้งแล้วเนี่ยแต่ครั้งสองครั้งยังพอว่าเนะอีกครั้งถ้าพระเจ้าค้าเป็นต้นนั้นสิบหกครั้งแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะบอกฉันพูดมาสิบหกครั้งแล้วนะเธอก็ยังไม่รู้เรื่องอีกว่า ง, งั้นนะแต่ยังก็ก็เลยต้องรับเอาไปกูตาขานไปก็ไปพระเจ้าค้าก็เลยเก็บผ่านนิสีธนะตามเสด็จพระพุทธเจ้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับท่านท่านนนเข้าไปยังกูตาค า, ารศาลาป่ามาหาวันเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัส ก, กับท่านท่านนนว่าไปเถิดอนนนเธอจงให้พวกเพิกศุนยที่อาศัยอยู่ที่กรุงเวสาลีทั้งหมดประชุมกันที่อุปัปฐานนาศาลาจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันเพนเดือนสามนะน่ะเป็นวันเพนเดือนสามก็คือวันมาฆบูชานั่นเองเป็นวันมาฆบูชานะ ทีพงค์ให้ประชุมภิกษุสงฆ์ที่เมืองไผ่สาลีที่ที่ป่ามหาวันเนี่ยนะท่านพระนนท์ก็รับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะให้ภิกษุที่อาศัยอยู่ที่กรุงเวสาลีทั้งหมดประชุมกันที่อุปถานนาลาสาลาเป็นที่บำรุงปรนิบัติพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาลาที่ฝังธรรมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถวายบังคมยืนณที่สมควรส่วนหนึ่ง กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทรงประชุมพร้อมกันแล้วขอพระองค์ทรงทราบการละอันควรในบัดนี้เถิดลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังอุปัฏฐานศ า, าลาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายและแล้วก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเราใดที่เราแสดงเพื่อความรู้ยิ่ง ทำเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วทำที่พระองค์แสดงเพื่อความรู้ยิ่งน น, นะคืออะไรบ้างก็คือโพธิปักขัยธรรมปฏิปทายานทัศนวิสุทธทิหรืออริยมรรคทั้งหลายน่นนะคืออริยมรรคทั้งหลายนี่แหละเป็นคุณธรรมที่แสดงเพื่อความรู้ยิ่งหรือการเจริญโพธิปักขัยธรรมเพื่อ กำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้งโพธิปักจะธรรมหรือศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้แหละที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งคือเพื่อรู้ยิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเออสักแต่ว่ารับฟังแต่หมายคาอว่าสอนแล้วให้ปฏิบัติตามนั้นให้เจริญได้ตามนั้นให้ได้รับอริยธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วเรียก ว, ว่าใส่ใจให้ดีทรงจาเอาไว้ให้ดี ส่องเสพแปล ว, ว่าเจริญให้บ่อยๆทำให้มากๆทำให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้เจริญงอกงามโดยส่วนเดียวทำให้มากขึ้นโดยลำดับเมื่อเธอปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อพรหมจา ร, ร์นี้จะพึงยั่งยืนพรหมจา ร, ร์ก็คือพระศาสนาที่ประชมแห่งศิกขาสามเพราะฉะนั้นเมื่อเธอเรียนส่องเสพเจริญกระทำให้มาก พรหมจรรย์คือศีลพรหมจรรย์คือสมาธิพรหมจรรย์คือปัญญาก็จักเจริญยั่งยืนแะนศาสนะพรหมจรรย์ที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคพรหมจรรย์จะดำรงอยู่ได้นานเมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นประโยชน์จะเป็นไปเพื่อได้รับประโยชน์แก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพวกเธอทั้งหลาย อันนี้แหละเป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่ชนจํานวนมากทั้นเมื่อใดที่พวกเธอทั้งหลายปฏิบัติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคําสอนก็แปลว่าความสุขเหล่าใดประโยชน์เหล่าใดที่ชนจํานวนมากควรได้รับประโยชน์และความสุขเหล่านั้นมหาชนก็เสื่อมไปเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติโดยที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนพรหมจรรย์ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สงเคราะห์ด้วย ศกขาสามอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคจะเจริญบริบูรณ์เมื่อเธอปฏิบัติอย่างนี้แล้วนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื่อกูลเพื่อความสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่าธรรมะเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วเป็นการแสดงเพื่อความรู้ยิ่ง นะเป็นธรรมะที่พวกเธอเรียนแล้วซ่องเสพเจริญทําให้มากโดยที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนดํารงอยู่ได้นานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำที่กล่าวและเืออะไรสติปทานสี่เนี่ยนะสติปทานสี่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาปทานสี่ทั้งที่เป็นโลกิยะโลกุตระอิทิบาสสี่อินทรี่ห้า ะละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายโพธิปักขยธรรมเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วเป็นการแสดงเพื่อความรู้ยิ่ง น, นะโพธิปักขยธรรมอันนี้เนี่ยนะคำว่าแสดงเนี่ยเหมือนกับว่ายกเอามาแจกเลยแบบงั้นเถอะถ้าพูดแบบภาษาเนี่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขนมรดกมารวบรวมสร้างบุญบารมีเพื่อให้ได้โพธิปักจยธรรมมาเนี่ย สาสิบเจ็ดประการนี่แหละเพื่อเลือกเฟ้นคัดสรรและวันนี้สุดยอดสุดยอดแห่งคุณธรรมทั้งปวงที่จะนำออกจากทุกไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วในโลกของสังขารธรรมเนี่ยนะในโลกของการสแสวงหาที่สูงสุดในการสแสวงหาที่ประเสริฐสุดที่สแสวงหามาเสียสงไขยแสนกับ ให้ทานก็เพื่อโพธิปัจจะธรรมรักษาศีลก็เพื่อโพธิปัจจะธรรมเจริญเนฆา ม, มะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเนี่ยนะสรุปว่าบารมีสิบอุปบา ร, รมีสิบมหาบริจาคําทุกอย่างเพื่อให้โพธิปัจจะธรรมเหล่านี้เนี่ยนะจะได้บังเกิดมีแก่สาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทําอย่างไรละ่ะที่จะเป็นการปฏิบัติเพื่อให้รู้ยิ่งซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ เมื่อพวกเธอปฏิบัติตามนี้เนี่ยนะจะเป็นไปนะโพธิปักขยธรรมเหล่านี้ที่พวกเธอเรียนแล้วส่องเศษท่องเศพก็คือเอาไว้ในใจให้มันมีบ่อยๆ อ, อย่าไปคิดถึงโพธิปัจขยธรรมครั้งเดียวคำว่าส่องเสพแล้วว่าให้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนเวน้นแต่หลับก็นั่นแหละดีนะเรียกว่าเศษอาเศวิตาเนี่ยนะไม่ใช่เอามาคิดครั้งเดียวเรียกว่าเศษคำว่าเศพเนี่ยนะแปลว่าบ่อยๆคิดบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆ จากปกติใส่ใจได้แค่สองนาทีก็เป็นสิบนาทีจากสิบนาทีก็เป็นชั่วโมงจากสิบชั่วจากชั่วโมงก็เป็นสิบชั่วโมงยีสิบชั่วโมงสุดแท้แต่ว่าตื่นเท่าใดเธอก็ซ่องเสพเอาไว้เท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าเสพทํามาเสพเนี่ยนะแปลว่าทําให้บ่อยให้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้คําว่าเจริญก็คือมันงามมากขึ้นเนี่ยนะไอ้สิ่งที่มันบ่อยนี่แหละมันเพิ่มพูนคุณภาพเรียกว่างอกงามนะ ให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้มันมากขึ้นเนี่ยนะทำให้บ่อยทำให้มากทำให้เพิ่มคุณภาพที่สุดเพราะเมื่อเธอทำอย่างนี้เนี่ยนะเป็นการปฏิบัติโดยที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนดารงอยู่ได้ตลอดกาลนานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกลเพื่อความสุขแก่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นคำสั่งที่สำคัญมากเลยนะเป็นคำสั่งที่สำคัญมากที่เรียกว่าแทบจะสำคัญจริงๆเหมือนกับว่าเนี่ยินยกรรมของพระพุทธเจ้าบางท่นเถเป็นการเขียนพินยกรรมมอบมรดกให้เพื่อสาวกของพระองค์จะได้เป็นพระธรรมมัทธิยาตลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเตือนเพกส่วทั้งหลายอีกว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะสังขารในภพสามสังขารธรรมคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแบ่งออกมาเป็นนามเป็นรูปสังขารที่เป็นไปในภพสามกำเนิดสี่คติหวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตวาวาสเก้าหรือโลกธรรมดสังขารเหล่านั้นมันเสื่อมเป็นธรรมดา วัยะเนี่ยนะคำว่าเสื่อมเนี่ยวัยเนี่ยแปล ว, ว่าหมดสภาพเป็นธรรมดาก็เหมือนกับว่าอะไรมั่งที่ที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพตลอดไปนไไี่นยบอกไม่มียังไงเสี้ยสิ่งเหล่านั้นก็เสื่อมสภาพหมดสภาพเป็นธรรมดาเมื่อสังขารไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วทําไงอทุกคนก็รู้นะว่าเออรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่เที่ยงมันเสื่อมเป็นธรรมดาเนี่ยสรุปว่าอแตกทําลายพังไปเป็นธรรมดา แต่จริงๆแล้วสิ่งที่พระองค์ต้องการบอกจริงบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถธออย่าประมาทนะอย่าประมาทเจริญสติปทานที่ยังไม่เกิดก็เจริญให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มากภาคเพียรให้เต็มและบริบูรณ์สัมมประธานอธิบาตอินทร์สีพละโพชฌงองค์มรรคทั้งหลายที่เธอยังทําไม่ให้เกิดหรือมันยังไม่เกิดขึ้นเธอทั้งหลายควรปฏิบัติ ท, ทําให้คุณธรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเธอทั้งหลายก็พึงยังให้เจริญเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์นี้เรียกว่าไม่ประมาทอันเธอพึงยังคุณธรรมที่สำเร็จด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอยู่เธอเพราะว่าไม่ช้าตถาคตจักปรินิพานจากนี้ล่วงไปอีกสามเดือนตถาคตจักปรินิพานจากไม่มีเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์แปดแสดงธรรมให้เธอได้ยินอีกแล้ว เธอจะไม่ได้เห็นพระพุทธสริระอีกต่อไปเธอจะไม่ได้เห็นพระพุทธรศมีพระฉับพันณรังศีพวกเธอจะไม่ได้กราบไหว้องค์อะไรองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบนี้อีกต่อไปแล้วกขาบอกว่าปรินิพานก็แปลว่าไม่เหลือแล้วเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตสาสดาได้ตรัสวยากรณาภาษิตนี้แล้วก็ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าคนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งปานและบัณฑิตคือจะโง่ขนาดไหนจะฉลาดปานใดนะทั้งมั่งมีและขัดสนยากจนนะแต่ว่าจะเด็กเนี่ยนะไล่ตั้งแต่ปฐมังกรลังโหติเนี่ยนะตั้งแต่อยู่ในคันไล่ไปจนถึงอายุร้อยขึ้นไปเนี่ยนะจะเคลาเบาปัญญาปัญญาอ่อนเกิดด้วยอหิตุกะปฏิสนธิทวิเหตุหรือจะติเหตุเป็นบัณฑิตรู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าจะไม่ว่าจะเป็นปุตุชนจนถึงพระพุทธเจ้าปานใดก็ตาม จะมัะ่จะขัดสนยากจนเรียกว่ามีแต่ร่างกายเนี่ยนะมีแต่ร่างกายที่เป็นแผลผุพองเต็มไปทั้งตัวจนถึงคนที่เพียบพร้อมบริบูรณ์มั่งมีเป็นพระราชามหากัตรสทั้งหมดเหล่านั้นล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะก็คือเดินไปตายนั่งรอความตายเรียกว่านอนรอความตายยืนรอความตายนั่งรอความตายเพราะสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แหละ เปรียบเหมือนภาชนะดินที่นายช่างหม้อปั้นขึ้นมาภาชนะดินเหล่านั้นจะเป็นภาชนะเล็กก็ตามภาชนะใหญ่ก็ตามภาชนะที่ยังสุกแล้วก็ตามหรือยังดิบเพราะไม่ได้เผาก็ตามภาชนะดินทุกชนิดล้วนแต่มีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันแตกทาลายเป็นที่สุดมีสูตรหนึ่งก็บอกว่าถ้าก่อนตายนี่ควรทําอะไรก่อน ชีวิตก่อนตายคนทําอะไรก่อนพระองค์ก็บอกว่าง่ายๆแล้วปฏิบัติให้ได้อรหั ต, ตผลก่อนค่อยตายแต่ถ้าหากว่าชีวิตที่ไม่ถึงอรหั ต, ตผลเนี่ยเป็นชีวิตที่มันจะเรียกว่าตายมันก็ไม่เชิงอนะมันมันก็ตายแหละแต่ว่ามันเครียกว่าอะไรนะโรคหนึ่งทิ้งเพื่อเอาก้อนโรคอันใหม่พูดแบบภาษามะเร็งหน่อยเขาบอกว่าแหมมะเร็งก้อนหนึ่งทิ้งอนะก็เอาก้อนมะเร็งก้อนโตกว่าเดิมเนี่ยนะ ทิ้งก้อนหนึ่งเอาก้อนหนึ่งทิ้งทุกอันหนึ่งถือเอาทุกอีกอันหนึ่งมันก็เรียกว่าทิ้งภาระอันหนึ่งก็วิ่งไปอะไรนะออกจากคุกแดนหนึ่งไปอยู่แดนสองออกจากแดนสองไปอยู่แดนสามมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรเลยเนี่ยนะอันวัตตะทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อชีวิตจะต้องตายเป็นที่สุดรอบเนี่ยนะก่อนชีวิตจะแตกทําลายเนี่ยนะก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุ ป, ปาทานขันธ์ที่บุญสร้างขึ้นมาเนี่ย ก่อนที่มันจะแตกทำลายเราได้คุณจะทำอะไรบ้างเนี่ยนะได้คุณจะทำอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้สวดโทษชงเนี่ยนะได้โทษชงเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานไหมถ้าโทษชงไม่บริบูรณ์เนี่ยชีวิตเหล่านั้นก็ถือว่าแทบจะเปล่าประโยชน์เนี่ยนะแทบจะเป็นโมฆะเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าวัยของเราแก่งอมแล้วแปดสิบปีเข้าแล้วเนี่ยนะ คือหมายความง่อมที่สุดในสภาพของความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จะไม่ดํารงอยู่จนหนังเหี่ยวอะนฟันหลุดฟันร่วงผมงอกเป็นต้นเนี่ยจะไม่ดํารงอยู่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถือว่างอมที่สุดแล้วชีวิตของเราเนี่ยเป็นของน้อยอีกสามเดือนเนี่ยน้อยจริงๆเลยนะของพวกเราถ้าได้ข่าวว่าอีกสามเดือนจะเป็นยังไงโอ้ยมีเวลาฉลองอีกตั้งสามเดือนนี่ป่ะชีวิตของเราเนี่ยเหลือน้อย และเราจะต้องละหรือจากพวกเธอไป